คือชีวิตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระราชบิดาที่ทรงมุ่งแก้ปัญหาความยากจนบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรส่งผลให้เกิดแนวทางแห่งความสมดุลระหว่างวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วยพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ทรงตระหนักดีว่าสาเหตุของทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นจากน้ำมือมนุษย์ทรัพยากรน้ำถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นไปสามารถเกิดการหมุนเวียนได้เรื่อยๆแต่หากขาดน้ำหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทาให้คุณภาพน้าเสื่อมโทรมลงเช่น มีสิ่งเจือปนที่เป็นพิษย่อมส่งผลให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตได้รับผลกระทบตามมาเพราะน้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตของสัพพชีวิตทั้งมวลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการขยายตัวของอุตสาหกรรมทำให้น้ำถูกนำมาใช้อุปโภคบริโภคมากขึ้นผนวกกับการใช้น้าแบบไร้ประสิทธิภาพทาให้สถานการณ์เกี่ยวกับน้าในปัจจุบัน มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายทั้งการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแรงและภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนกรมทรัพยากรน้ำจึงเข้ามาพัฒนาและปรับปรุงเพื่อสารต่อโครงการในพระราชดำริเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดน้ำคือชีวิตควรคิดก่อนใช้กรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม